ลิมไหนมาก่อนลิมนี้เนะ่ะเอามาก่อนส่งกันบ้านก่อนคุณและพี่ชาติเลยนะครับเป็นไงทอนาถ้ามันจะห่าองออกไปเรื่อยเมื่อวานอาว์ก็เล่า ก็เดินเดินอยู่นะเห็นความชิดเนี่ยมันไหลมันไปอยู่ข้างนอกความชิดไปอยู่ข้างนอกห่างไปสักวาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วก็เห็นความเป็นตัวตนนะนะมันไปอยู่ที่ความคิดในใจนมันไม่มีตัวมีตนอะไรความเป็นตัวตนมันเกิดจากความคิดล้วนๆเลย น, นี่ฝึกไปแล้วมันจะเหมือนห่างไปห่างไปฝึกไปเรื่อยๆเหมือนห่างคนละโยกเลย จิตกับขันไม่เกี่ยวกันขันส่วนขันจิตส่วนจิตแต่จิตก็เป็นขันนะ <c oughs> มันมีจิตอีกชนิดหนึ่งที่มันทิ้งทิ้งขันลงไปคอยฝึกไปนะดีแล้วพี่ชาติไปดูเลย <c oughs> ตอนนี้จิตเป็นยังไงขณะ น, นี้รู้ตัวเต็มที่ไหม <c oughs> รู้ไหมใจมันไม่ตื่นเต็มที่ รู้สึกไหมไ ม, มันมัวหน่อยนึงยังมัวใจยังไม่ตั้งมั่นรู้สึกไห ม, ไมคือมันเป็นทีละขณะทีละขณะคือไม่ไม่ใช่ว่าเสียหายนะเย <c oughs> ดูสภาวะให้ออกะสภาวะออกเราทำของเราสบายอย่างปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกคอยรู้กายรู้ใจรู้ขันห้าไปจะเห็นว่าแต่ละขันแต่ละขันเขาทําหน้าที่ของเขาไป แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเงั้ไม่ลายจิตมันมีโมหานิดหน่อยมัวนิดหน่อยหรือฟุ้งซ่านนิดๆเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราดูจนเห็นว่าเหมือนเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมัวเนี่ยไม่ใช่เรามัวมต่างคนต่างอยู่เลยธรรมชาติรู้ล้วนๆไม่ไม่ได้มัวอะไรหรอกให้ฝึกไปนะดีละธรกมาติ อคุณสุวรรณีโอเคอืม เยะนะดีแล้วดีแล้วค่อยทำไปนะแต่เราฝึกไปจนเราไม่บังคับเพื่อพิชาดอย่าไปทําอะไรมันนะอย่าไปทำมันเดี๋ยวเสียหมดดีอยู่แล้วนะจะมาเพียงแค่แห้พาให้ดูว่าจิตมันยังมีโมหะเจออยู่นิดนึ ง, งนั่นนั่นไม่ใช่เรื่องต้องไปแก้ไขนะจะทําอะไรเดี๋ยวเสียหมดนะกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะทําอะไรเราไม่ได้ทําหรอก จิตเขาไปทำอะไรนะเราอยตามรู้ไปเรื่อ ย, อยนี่เราไม่ได้ทำัวเองอ่ะคุณนี่ล่ะมาพิมเดียวกันมาอืมเออนั่นแหละมันรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นงั้นแหละนั่นแหละเกิดทีละขนาะเดียว นะแต่ว่าถ้าเรารู้สภาวะพอจิตรู้สภาวะปุ๊บจะตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาอยู่ชั่วแวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลไปปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งใหม่รู้ใหม่รู้ให ม, ใหม่ก็ตื่นใหม่ในที่สุดสภาวะมันจะเหลือแค่นี่เผลอไปก็รู้ขึ้นมานี่แต่เผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รูนะ้เข้ารู้อยู่ตรงนี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับ จิตที่เป็นอกุศลที่หลงไปเกิดเราก็ดับจิตนะ ท, ที่เป็นอกุศลเราห้ามมันก็ไม่ได้จิต ท, ที่เป็นกุศลเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะรู้สึกไหมมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะคําว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยก็คือคําว่ามันไม่อยู่ในอํานาจเขามันเป็นอนัตตานั่นเองนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้ของจริงรู้กายรู้ใจวันหนึ่งเห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาโดยเฉพาะจิตใจเนี่ย เห็นกายเป็นอนัตตานะปักจะทิฏฐิยังไม่ขาดง่ายหรอกเพาใครๆก็เห็นได้คนนอกศาสนาพุทธเขก็เห็นได้แต่การจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานี่ยากที่สุดเลยะมีแต่ในศาสนาพุท ธ, ธเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกขนาด น, นี้บอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยคือไม่ได้เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา เพราะมันเห็นนะ่ะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เรารเพราะอะไรเพระจิตเกิดดับรวดเร็วมากรวดเร็วจนเราไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับเราจะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆเกนะี่ยมันก็คนเดิมรู้สึกไห้เป็นคนเดียวกันมันจะเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเลยจนกระทั่งมันตายไปแล้วนะก็ยังคิดว่าไอ้จิตดวงนี้แหละไปเกิดอีกเปลี่ยนแต่ร่างกายจิตตัวเดิม เพ้นยังไงยังไงก็จะเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ได้สกิยาทิฏฐิจะไม่มีวันขาดเลยพระพุทธเจ้าบอกต่อไปอีกลูก่อนพิสูจทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยหรือคนที่เห็นว่ากายเป็นตัวเรานะยังดีกว่าคนที่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราเพราะคนที่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเนี่ยละง่ายละความเห็นผิดง่ายแต่กว่าจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานี่ยากที่สุดเลย นี้ถ้ายัางละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราไม่ได้นะเนราจะเห็นว่าขันห้าบางอันเป็นเราบางอันไม่ใช่เรานะสัตยะทิถียังไม่ขาดขาดไม่หมดนะ่ะแต่ถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปให้ถึงจิตถึงใจเนี่ยึท่านถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ไหลองค์เลยบอกว่าการดูจิตเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเลยถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสิ่งอื่นไม่เป็นเราละจะขาดหมดเลยทีเดียว หลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รับสั้นที่สุดหลวงปูดูลก็บอกหลายองค์บอกนั้นงั้นก็เห็นถูกแล้วนะเห็นถูกแล้วรู้ไปเรื่อยๆมากับใครอีกทีมคุลพิชชาติอ้าว่ามาเดี๋ยวไล่แล้วจบกีลาทีพกลับบ้านได้รู้บ่อยๆนะรู้เรื่อยๆดีแล้วนีแะ ใจลอยแล้วรู้ไหมที่ว่ารู้ตัวไปเรื่อยๆอยไม่ให้ลอยไม่ได้นะรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้ตรงนี้ต้องแม่นหลักของการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับใจให้มันดีให้มันสุขถาวรคําว่าถาวรไม่มีคําว่าบังคับได้ไม่มีถาวรเนี่ยฟืนกับคําว่าอนิจจังบังคับได้ฟืนกับคําว่าอนัตตา ยังไม่ได้ฝึกให้จิตดีถาวรให้สุขถาวรแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงวราะมันไม่ถาวรหรอกบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราฝึกให้เห็นตรงนี้มันหนีไปคิดดูออกไหมมันฟังหลวงพ่อพูดฟังเราก็คิดฟังแล้วก็คิ ด, ค, ดคนอื่นด้วยนะรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปดูออกไหมคิดเดียวกับฟังอีกดูออกไหมพ่อสังเกตนะจนเรารู้เท่าทัน จิตไปคิดรู้ว่าไปคิดจิตไปฟังรู้ว่าไปฟังเราจะเห็นเลยมันจะคิดหรือมันฟังนะมันทํางานของมันเองเราสั่งมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ดูให้เห็นยาวแต่จดนะดูในใจเราให้ได้นะงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเองว่าขันห้ามเป็นฟุกนะมันไม่เที่ยงนะมันบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เห็นธรรมะ การปฏิบัติทาไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้กายคอยรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นความจริงากายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขันสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์เราไม่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี่เดี๋ยวก็ทุ ก, กข์เดี๋ยวก็สุขรู้สึกไหมเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะพระพุทธเจ้าว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญาของเราไม่พอ ม, มีสติรู้ร่างกายเรื่อยๆ เราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะเช่นเรานั่งนั่งให้สบายนั่งไปถ้าพ้าก็เมื่อยแล้ขยับรี่นิรยบทแก้แก้ทุกข์นั่นเองนะนั่งไปนานๆก็ขยับเพราะมันทุกข์นะยืนนานๆมันก็ทุกข์เดินะ น, น, นานๆมั น, นก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นะเวลานอนสังเกตไม่นอนกลางคืนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนอนทําอะไรทําไมต้องพลิกไปพลิกมา เพราะมันดิ้นหนีความทุกข์ถ้าเรามีสติรู้กายอยู่เรื่อยๆเราเห็นกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถฝึกละเอียดเข้าไปอีกกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทําว่าเราหายใจไปทําอะไรเราหายใจแก้ทุกข์ไม่หายใจเลยก็ทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกแล้วออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกแล้ว เห็นไหมพอเรามีสติรู้กายเนี่ยเราเห็นเลยกายมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้า อ, ออกไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยหนีความทุกข์ขะแมวขะแมวไปเรื่อยวันในหายใจไม่ออกตายแล้วทุกข์บีบคั้นจนตายเลยกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุวัตถุอันเดียวกับพื้นดินอากาศนี่เองเราไปขอยืมโลกมาใช้แล้วก็เอามาหวงเอาไว้ มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันนะหายใจเข้าหายใจออกดื่มน้ําเข้าไปนะขับถ่ายออกทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกมีแต่ธาตุหมุนเวียนนะเบื้องต้นก็ยืมธาตุของพ่อของแม่มาใช้เสร็จแล้วก็เอาธาตุจากอาหารมาหล่อเลี้ยงมันต่อไปหมุนเวียนถึงวันหนึ่งธาตุนี้ก็คือสู่ความเป็นธาตุเห็นไหมกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นแค่วัตถุยืมเข้ามาชั่วคราว ที่เห็นตรงความเป็นจริงจิตใจล่ะถ้าเราดูจิตใจเราเห็นไม่เที่ยงะหาคนหลายใจไม่ต้องหาที่อื่นหาที่ตัวเองนี่เองหลายใจเปลี่ยนใจตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นี่เดี๋ยวใจเป็นสุขเดี๋ยวใจเป็นทุกข์เดี๋ยวใจเฉยเฉยเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จิตหมุนจีอย่างนี้ตลอดเวลา เดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ ว, วิ่งไปทางหูเดี๋ ว, วิ่งไปในความคิดหมุนจี๋จีจีอยู่อย่างนี้ทั้งวันวเดี๋ยวลองสังเกตดูนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนะเดี๋ยวก็ฟังหน่อยหนึ่งแล้วก็วิ่งไปคิดดังนั้นเนี่ยจิตแสดงความไม่เที่ยงให้ดูการดูจิตไปก็จะเห็นว่าเออจิตไม่เที่ยงหรอกดูไปเรื่อยๆบางทีก็เห็นจิตเป็นอนัตตานะมันจะไปทางตามันจะไปทางหู หือมันจะไปคิดเนี่ยเราเลือกไม่ได้มันทํางานของมันเองเลือกไม่ได้จะเฝ้ารู้เฝ้าดูดไปนะวันหนึ่งเห็นของจริงปิดไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นความจริงว่ากายว่าจิตไม่ใช่ตัวเราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเลยจิตใจเฉยๆก็ทุกข์นะอย่างเราทําอะไรอยู่ในอารมณ์ซ้ําซากนานๆก็เบื่อก็ทุกข์ กระทั่งเข้าฌานสมาบัตินะอยู่ในฌานมีความสุขนานไปก็ทุกข์นะก็ต้องออกมาข้างนอกทนอยู่ไม่ได้ในภาวานแดนหนึ่งงั้นกายนี้ใจนี้เลยมีแต่ตัวทุกข์พอเหตุความจริงนี้ไม่ใช่ตัวเราคนที่เห็นว่ากายกใจไม่ใช่เราเนี่ยนะเรียกว่าพระโสดาบันคนที่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอรหรันตะ์เมื่อวานมีคนหนึ่งพยายามมาถามหลวงพ่อ เพื่อนฝากมาถามตัวเองถามนั่นแหละอ้างเพื่อนนะบอกหลวงพ่อเพื่อนปากหลวงพ่อจะได้ไม่ดา่านะเพื่อนฝากมาถามก็ว่าถ้าเขาบรรลุพระอรหันต์แล้วเขาต้องตายในเจ็ดวันถ้าเขาไม่บวชโอ้ยสนใจอะไรพระอรหรันต์พระโดายังไม่เป็นเลยนะพระอรหรันต์จะไม่มานั่งคิดหรอกว่าจะตายไม่ตาย ไอ้ที่คิดว่าตายไม่ตายนั้นมันปุถุชนคิดเห็นมาอ้างพระอรหันต์คิดเลยเพ <c oughs> ราะพระอรหันต์นั้ไม่มี <c oughs> กายกายใจมันไม่ใช่ของเราทิ้งไปแล้วไม่มีน <c oughs> ันจะมาทําตะแบงถามนะพระอรหันต์จะตายไ <c oughs> หยพระอรหันต์ยังไม่มีเลย <c oughs> รูปนามไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> รูปนามเกิดดับไปตามธรรมชาติของมัน <c oughs> มนี่จะหวงไหม ตัวตายต้องหนีไปบวชไหมพระหรหัสตัวตายมีไหมมันอย่าคิดเยอะนะธรรมะไม่ใช่เอาไว้คิดเล่นๆธรรมะเอาไว้ปฏิบัติเพื่อให้พ้นทะุกข์เรียนธรรมะอย่าไปเรียนแบบคิดเล่นนะหลายคนชอบ ม, มานั่งถามอะไรหลวงพ่อไม่ค่อยชอบให้ถามอนะเรียนธรรมะไม่ต้องถามเพราะหลวงพ่อก็ไม่ค่อยถามครูบาอาจารย์เลยแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยสอนด้วยสิ ไปหาหลวงปู่ ด, ดูนะเว้ย ม, มันไปถามท่านผมอยากปฏิบัติทําไงดีสอนหลับตาไปชั่วโมงเลยเราก็เกิดสับตะไสเลยนะไปหาท่านไปเช้าหรอกแต่ว่าท่านฉันอยู่กว่จะเสร็จนะแปดโมงกว่าล้วรถไฟจะออกจากสุรินทนระ์สิบโมงกลับกรุงเทพแปดโมงเข้าไปหาท่านถามท่านท่านหลับตาอยู่ชั่วโมง เราก็โอ้หลวงปู่หลับไปเปล่าหลวงปู่อายุเยอะเก้าสิบห้าเก้าสิบหกนะลืมตาขึ้นมาสอนนิดเดียวการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมถามเข้าใจครับเข้าใจมันปลื้มนะไม่เข้าใจหรอกแต่ตอนนั้นมันปลืม้มเข้าใจครับเข้าใจก็ดีแล้วไป ไป ท, ทำเอาไม่มีนะมันนั่งโอโลปฏิโลมลูกศิษอยู่นา น, านๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีหรอกมนครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนโอ้เข้มข้นมากวิธีสอนก็แปลกๆนะไม่มานั่งเทศยาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เทศเทศฟังก็ไม่ยอมปฏิบัตินะต้องเสียแล้วเสียอีกนะทำไมเป็นใจเสาะนะแต่ก่อนนี้จะเรียนต้องเรียนเอาเองนะ อยากเรียนครูบาาจารย์ถึงสอนอย่างนี้ต้องอ้อนวอนฝึกไปเถอะฝึกแล้วมีความสุขนะ <c oughs> พูดหยาบหยาบมาวยแตกนะ <c oughs> ใจถึงๆหน่อยธรรมะของจริงนะคนจริงถึงจะได้ของจริงคนใจเสาะไม่ได้ของจริงหรอกของจริงคืออะไรของจริงคือกายกับใจรู้ลงไปอย่าเอาแต่คิดเอาอย่าเอาแต่คิดคิดฝันๆเนาะคิดเป็นนางงามจตกรวาลก็ได้นะแต่ไม่ได้เป็น คิดบอกเราตีอะไรนะเพนนิตเก่งกว่าพลาดอนก็ได้จริงมันไม่เก่งกว่าได้คิดคิดฝันฝันใช้ไม่ได้รู้สึกเรารู้กายอย่างที่กายมันเป็นรู้ใจอย่างที่ใจมันเป็นรู้ไปเรื่อยถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไหร่ช่างมันเถอะรู้ไปทั้งชีวิตนั่นแหละพวกเราทําอะไรแบบหวังผลไงหัดมาดูกายดูใจดูไม่กี่ทีเลยถามเมื่อไหร่จะบรรลุ มันรู้ไม่บรรลุอยู่ที่ใจของเรานะมันโง่หรือมันฉลาดละ่นะถ้ามันฉลาดมันฉลาดไม่ใช่ฉลาดอย่างโลกโลกนะฉลาดก็คือมันยอมรับความจริงไหมคนฉลาดในทางศาสนาพุทธนะั่นก็คือคนที่เข้าใจความจริงยอมรับความเป็นจริงไม่ใช่ฝืนความเป็นจริงฝืนตามกิเลสไปเรื่อยๆอยความจริงก็คือกายกับใจไม่ใช่ตัวเราฝืนความจริงก็คืออยากให้มันเป็นตัวเรา มันโง่นะมันถึงจะฝืนความจริงเพราความจริงมันคือมันไม่ใช่เราหรอกอยู่ชั่วคราวทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจจิตใจก็เกิดดับเกิดดับขียิบเลยร่างกายนี่เกิดดับช้าหน่อยรูปอายุยืนกว่าน้ำดูร่างกายนี่ก็เลยเห็นใจไอ้อันนี้จังยากจะเห็นทุกข์ง่ายเพราะมันอยู่นานทุกข์เยอะจิตมันไหววับวับวับมันดับมันแสดงความไม่เที่ยง การปฏิบัติไม่มีอะไรเลยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยไปอย่าเอาแต่คิดอย่าใจลอยไปรู้สึกไว้แล้วก็รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นกายกับใจเท่านั้นแหละถึงจะเป็นครูสอนธรรมะเราได้คนอื่นวิเศษแค่ไหนสอนธรรมะเราไม่ได้นะจำไว้นะหลวงพ่อก็สอนพวกเราไม่ได้นะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนไหนทาคนนั้นเห็น นั่นทำมาสอนกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้เป็นของเฉพาะตัวสิ่งที่ช่วยกันได้ก็คือบอกวิธีทำเท่านั้นบอกวิธีปฏิบัติเท่านั้นเราพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกทางให้บอกวิธีให้บอกแล้วต้องเดินเองต้องทําเองทางที่ท่านบอกคือทางของการเจริญสตินั่นเองสติปัฏฐานมีสตินะรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยไป รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเป็นวันนึงเห็นความเป็นจริงของกายของใจเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงนั่นเรียกว่าปัญญาเข้าใจความจริงมีปัญญาวิมุตถึงจะเกิดมีปัญญาแล้วถึงจะปล่อยวางได้นั้นบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะมีปัญญาเกิดกอะไร ปัญญาเกิดจากจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นถึสอนวาสัมมา ส, า ม, าสามาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วทําไงจิตใจอย่าอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจต้องไม่เลื่อนลอยไปจิตใจต้องมีสตินะรู้สึกไว้มีสติไว้ตั้งกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้อย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวพอเรารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดปัญญามันเกิดเราเฝ้ารู้ไปนานๆเราก็เข้าใจความจริง ปัญญามันเกิดปัญญาเกิดรู้ความจริงกายใจไม่ใช่เราแล้วก็ปล่อยวิมุตต์ก็เกิดปล่อยวางปล่อยวางอะไรวิมุตต์ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนี่เองเพราะฉะับทางปฏิบัติไม่มีทางที่สองมีทางเดียวแค่นี้เองนี่ทางแต่ละคนเนี่ยเนี่ยทางทางเม น, นี่มีอันเดียวนะอย่างสูงเราจะขึ้นยอดเขาขึ้นภูเขาทางมีทางเดียวต้องสูงขึ้นไป ไม่ใช่ลงมาต่ำแต่ทางขึ้นภูเขามีรอบทิศทางเนี่ทางเดินเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนแบบกันไม่ได้เงน้นพระพุทธเจ้าเลยสอนธรรมะไว้เยอะแยะแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์เคนมันเยอะจลิตนิสัยต่างกันบางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตบางคนรู้ธรรม ทิศทางใหญ่ๆอย่าขึ้นเขาเนี่ยทิศทางใหญ่ๆมันก็สีทิศเวลาเดินจริงๆไม่ได้เดินทีละทิศลงนั้นเดินสเปตซ์สะปะเดี๋ยวก็ขยับหลบซ้ายเดี๋ยวหลบขวาเดี๋ยวหมดแรงก็นั่งพักขึ้นเขาไปเหนื่อยนั่งพักนั่งพักคือสมถะมีแรงแล้วเดินขึ้นไปอีกนะอย่าท้อถอยวันหนึ่งก็ถึงยอดเขาแต่ถ้าทิศทางไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนะ คิดแต่ว่าจะต้องทําจิตให้ดีทําจิตให้สงบเรียกว่าไม่รู้จักเป้าหมายนะยิ่งเดินยิ่งไปไกลนะไปปลุกมรรโลกเรียนรู้ทิศทางว่าเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกทุกเพื่อคือกายกิดใจนี่แหละตัวทุกเรียนรู้กายรู้ใจาหันหน้ามาเผชิญความจริงของกายของใจมาเรียนรู้มันเจนเข้าใจมันเข้าใจมันแล้วจิตเขาปล่อยวางของเขาเองไม่ต้องไปช่วยเขาปล่อยนะ มีบางคนได้ยินหลวงพ่ออ่านหลวงพ่อเขียนว่าหลวูดูลสอนให้ทําลายผู้รู้มาถึงก็รีบบอกเลยผมทํำลายผู้รู้เรียบร้อยแล้วพระนะหลวงพ่อบอกโอ้ท่านทําลายสติเรียบร้อยแล้วสติแตกไปแล้วเพี้ยนไปแล้วรู้สึกตัวอ ย, อย่าเพิ่งทําลายผู้รู้นะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้ใจลอยรู้สึกไว้เห็นไหมใจลอยหนีพิชิต นีไปเกือบทั้งห้องเลยนะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อเลยเอาแล้ว